ไหวให้ได้บุญคือไหวแบบรู้บุญคุนท่านไม่ใช่ไหวแบบละโมกขอโน่นขอนี่แม้แต่นางวิสาขาและหมอชีวกะหรือที่เรียกแบบไทยว่าหมอชีวกก็เป็นบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาเมื่อขอพรจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าตถาคตเลิกให้พรแล้ววิสาขา แต่ทาคตเลิกให้พรแล้วชีวกประทั่งหมอชีวกทูลชี้แจงว่าไม่ได้จะขอพรให้ตัวเองแต่จะขอพระราชทานอนุญาตให้ตนเองได้ถวายผ้าแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงทรงรับเนื่องจากหมอชีวกรักษาพระองค์มานานแต่ถ้าจะขอพรแบบเอาโน่นเอานี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้แน่แน่เพราะการให้พร น, นั้นสร้างความรู้สึกผิ ด, ผด ขัดแย้งกับธรรมชาติความจริงที่ว่าอยากได้อะไรต้องสร้างเอาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามพร อ, อย่างไรก็ตามแบบอย่างการให้พรของพระองค์ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเนื่องจากธรรมดามนุษย์เราชอบขอพรขอให้อายุมั่นขวัญยืนบ้างขอให้มั่งมีสีสุขบ้างบุคคลผู้ประพฤติตนบนเส้นทางศักดิ์สิทธ พูดเป็นมงคลแค่นิดหน่อยก็ช่วยให้ใจชาวบ้านสบายดีมีปิติแล้วดังนั้นพระองค์จึงบัญญัติพระวินัยไว้ว่าเราอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุให้พรตอบแก่ชาวบ้านว่าขอท่านจงเจริญชนอายุยืนนานพูดง่ายๆถ้าจะให้พรแบบพูดท่านให้แค่พูดเอาใจพอเป็นพิธีและต้องเป็นเรื่องอยู่ดีอายุยืนเท่านั้นห้ามให้พรสุมสี่สุม้าเรื่อยเปื่อย เช่นเขาขอให้ผัวกลับบ้านก็ให้พรไปเขาขอให้ถูกลอตเตอรี่ก็ไม่ขัดใจกันแบบเนี้ยผิดวินัยแต่การเวลาล่วงเลยมาพระวินัยและความเข้าใจต่างๆเลือนรางไปปัจจุบันพระใหญ่เนียนน้อยให้พรกันสนุกปากเป็นเหตุให้การกราบไหว้ของชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้บุญกุศลกันสักเท่าไหร่คือพอก้มลงกราบเมื่อใดก็กระตุ้นให้นึกอยากขอหวย อยากขอผัวขอเมียเมื่อ น, นั้นการกราบไหว้นั้นมีดีตรงที่รู้จักนอบน้อมใจที่นอบน้อมต่อผู้ควรนอบน้อมคือใจที่สูงเป็นจิตวิญญาณที่สุขสว่างเป็นจิตวิญญาณที่พร้อมจะเจริญงอกงามเป็นจิตวิญญาณที่อยู่บนเส้นทางสร้างคำขาวแต่เมื่อกราบไหว้ด้วยความละโมบหวังค่ากาไรเกินควรลงทุนแก้กราบ แต่จะเอาผลตอบแทนเป็นสวรรค์วิมานใจเลยไม่ถึงสวรรค์ไม่ถึงวิมานแต่ถึงแค่ความเห็นแก่ตัวเอาง่ายเขาว่าเันเป็นทางลาดลงต่ำไปแทนการไหว้ของเด็กน้อยส่วนใหญ่ได้บุญกว่าการไหว้ของผู้ใหญ่ส่วนมากเพราะไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าจะได้มีความสุขกับการทำความเคารพผู้มีบุญคุณอันควนรเคารพถ้าเด็กน้อยวันนี้ ไม่ถูกสอนให้ไหวแบบขอเข้าตัวเขาก็จะโตขึ้นในวันหน้าตามธรรมชาติรู้ว่าไหวบุคคลที่ควรไหวเ้าอิ่มใจเป็นมงคลในตัวไม่จาเป็นต้องขออะไรเพิ่มอันหนึ่งการกราบไหว้ขอพรจากเทพอาจได้ผลจริงกับบางคนบางครั้งคนส่วนใหญ่รู้ว่าเท พ, พเจ้าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าข้อแลกเปลี่ยนคืออะไร ต้องตามปเป็นบริวารรับใช้การกี่ชาติการติดตามขึ้นไปเป็นพรวนบนทางกันดานกับการเจริญรอยตามพระผู้หมดกิเลสไปบนทางสั้นคือข้อแตกต่างระหว่างศาสนาเทพกับศาสนาพุทธหมายเหตุผู้อ่านคุณดังตรินก็เคยแนะนำไว้บทความหนึ่งนะครับว่า การขอพอรที่ดีนั้นถ้าจะขอกันจริงก็ให้ขอไปแนวว่าขอให้ละความหลงผิดยึดติดทั้งปวงขอให้มีตาสว่างทุกเมื่อขอให้ละอุปาทานความยึดมั่นในกายใจนี้ลงได้ขอให้มีสติรู้กายใจตามเป็นจริงแต่โดยส่วนตัวของผู้อ่านเองนั้นก็มีประโยคสั้นๆที่ใช้สําหรับขอพอรหรือให้พรคนอื่นว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป ซึ่งก็เป็นความหมายถึงว่าขอให้เจริญแต่ในทางที่ดีในทางที่เป็นกุศลการขอพรแนวนี้จริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นการอธิษฐานจิตยอย่างหนึ่งหรือในภาษาสมัยใหม่ก็อา จ, จเรียกว่าเป็นการโปรแก ร, รมจิตยอย่างหนึ่งการท่องอะไรซ้ำๆจะมีผลเป็นข้อมูลฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเมื่อเข้มข้นมากพอก็จะคอยแสดงผลออกมาในชีวิตประจาวันเช่นเมื่อจะทาผิด จะทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะเกิดมโนสํานึกขึ้นมาเตือนตัวเองได้ง่ายกว่าคนอื่นหรือกระตุ้นให้ทําความดีรักษาศีลเจริญสติได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการอธิษฐานหลังทําบุญหลังการสวดมนต์หรือหลังการทําความดีทุกครั้งนั้นก็จะยิ่งมีผลหนักแน่นขึ้นด้วยมีฐานของมหากุศลหรือฐานของบุญรองรับแนะนําให้ลองดูกับบทสวดภาษาไทยที่ได้เรียบเรียงไว้ซึ่งจะมีคําอธิษฐานค่อนข้างครอบคลุม และเชื่อว่าจะดีกับทุกท่านอย่างมากก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ